ความสุขเหนือการเมื่อเหนือการสนองความต้องการในตอนก่อนโน้นได้บอกความหมายของความสุขว่าคือการได้สนองความต้องการแต่ก็บอกไว้ด้วยว่าเป็นความหมายที่ไม่ครอบคลุมทำไมจึงไม่ครอบคลุมคือไม่ครอบคลุมทั้งหมดถ้าใช้ภาษาพระก็อาจจะบอกว่า นั่นคลุแค่ในระดับโลกิยะแต่ความสุขยังมีเลยขึ้นไปอีกเป็นความสุขในระดับโลกุตระพอพูดอย่างนี้บางทีรู้สึกว่ายากไปเพื่อให้ชัดก็ต้องพูดถึงขั้นระดับของความสุขอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมานั้นเราแบ่งความสุขเป็นสองตามประเภทของความต้องการแต่ตอนนี้ตรงข้ามกับต้องการ ยังมีไม่ต้องต้องการก็ได้ถึงตอนนี้ก็เลยต้องแบ่งขั้นหรือระดับของความสุขขยายกว้างออกไปอีกเป็นสองระดับใหญ่และย่อยเป็นสามขั้นคือระดับที่หนึ่งความสุขที่เกิดจากการสนองความต้องการขั้นที่หนึ่งความสุขเมื่อได้สนองตัญหา คือความสุขจากการสนองความต้องการที่เป็นอกุศลขั้นที่สองความสุขเมื่อได้สนองฉันทะความสุขจากการสนองความต้องการที่เป็นกุศลระดับที่สองนับเป็นขั้นที่สามความสุขที่ไม่ต้องสนองความต้องการ คือความสุขทุกการโดยไม่ต้องสนองความต้องการจะเห็นว่าสุขระดับที่สองหรือขั้นที่สามไม่เข้ากับความหมายที่ได้บอกไว้คือความสุขที่ไม่ต้องขึ้นต่อการสนองความอยากใดๆไม่ต้องขึ้นต่อการสนองตัณหาและไม่ต้องขึ้นต่อการสนองฉันทะเป็นความสุขที่เป็นอิสระเพราะเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัว เป็นคุณสมบัติภายในมีอยู่เป็นประจำตลอดเวลาไม่ต้องการพึ่งพา ก, การได้หรือการทำอะไรทั้งนั้นถ้าเราต้องสนองอะไรจึงจะได้ความสุขก็แสดงว่าความสุขนั้นยังไม่มีอยู่จริงจึงต้องรอการได้สนองต้องหาบ้างต้องสร้างขึ้นมาบ้างต้องทำให้มีขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ความสุขขั้นที่สามนี้ เป็นคุณสมบัติในตัวอยู่แล้วจึงไม่ต้องขึ้นต่อการสนองทั้งไม่ต้องหาและไม่ต้องสร้างตรงนี้ก็จะมีผู้สงสัยว่าผู้ที่มีความสุขขั้นนี้ไม่มีความต้องการอะไรเลยหรือเป็นคนที่หมดความต้องการแล้วใช่ไหมหมดตัณหานั่นไม่ว่าอะไรแต่หมดสันท้าด้วยหรือยอย่างไรสงสัยอย่างนี้แล้วถามออกมาเป็นความดีเพราะจะได้รู้ชัดกันไป ก็ตอบว่ามีสิชันทนะนะท่านที่ถึงขั้นนี้แล้วมีชันทะอยู่เต็มที่เพียงแต่ว่าความสุขของท่านไม่ต้องขึ้นกับการสนองชันทะนั้นแล้วนี่คือข้อที่ขอย้ำคือบุคคลผู้มีความสุขที่ไม่ขึ้นต่อการสนองทั้งตันหาและชันทะโดยที่ผู้นั้นมีชันทะอยู่เต็มเปี่ยมด้วยนี่แหละคือคนที่ได้พัฒนาความสุข มาครบจบแล้วกว่าจะพัฒนาชีวิตมาถึงขั้นนี้ได้ก็มีแต่ชันทะอย่างเดียวแล้วและยังอยู่เหนือชันทะนั้นอีกด้วยยกตัวอย่างสูงสุดคือพระพุทธเจ้ามีหลักว่าพระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติชุดหนึ่งเรียกว่าพุทธธรรมสิบปประการไม่ต้องแจกแจงว่ามีอะไรบ้างเอาเฉพาะข้อที่ประสงค์ในที่นี้ คือข้อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีชันทะไม่ลดถอยเลยบาลีว่านาทิชันทะสัหานี้พอยกพระคุณสมบัติข้อนี้ขึ้นมาก็เห็นชัดทันทีพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจมากมายแค่ไหนนั่นก็คือเป็นไปด้วยชันทะซึ่งฉายออกมากับพระมหากรุณาพระพุทธเจ้าไม่ทรงหยุดเลยตลอด 45, สี้าพรรษา พูดอย่างภาษาชาวบ้านว่านอนกลางดินกินกลางทรายเสด็จดำเนินไปทั้งวันทั้งคืนไปบำเพ็ญพุทธาจาริยาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชาวโลกเราพูดกันว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุท ธ, ธกิจด้วยพระมหาการุณาและได้บอกแล้วว่าการุณานั้นมีจุดเริ่มตั้งต้นจากฉันทะแล้วด้วยฉันทะ ก็ออกสู่ปฏิบัติการในการเสด็จไปทำงานสั่งสอนและไม่ว่าจะทรงปฏิบัติกิจอะไรอะไรพระองค์ทรงมีชันทานั้นเต็มเปี่ยมเสมอไปไม่รู้จักลดน้อยลงนี่คือพุทธธรรมอย่างหนึ่งใน18ประการพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลายมีชันทะเต็มบริบูรณ์เต็มความสุขของท่านไม่ขึ้นต่อการสนองชันทะ คือท่านมีความสุขอยู่แล้วเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองในที่นี้ก็ได้จัดแบ่งความสุขเป็นสามขั้นหรือสองระดับนี้แล้วถ้าจะเรียกสุขสามขั้นนี้เป็นภาษาง่ายๆ่าอ า, าเสนอคำทำนองต่อไปนี้ท่านผู้ใดช่วยหาคำที่ชัดและถนัดกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีความสุขสามอย่างนั้นคือหนึ่งความสุขที่ต้องหา ได้แก่สุขแบบสนองตันหา 2. ความสุขที่สร้างเองได้ได้แก่สุขแบบสนองชันทะ 3. ความสุขที่มีในตัวทุกเวลาได้แก่สุขที่ไม่อาศัยการสนองความสุขขั้นที่หนึ่ง คือสุขด้วยการสนองตัญหาเรียกว่าความสุขที่ต้องหาก็เพราะว่าสิ่งเสพที่จะสนองตัญหานั้นเป็นวัตถุสิ่งของเป็นกามอามิตรซึ่งอยู่ข้างนอกเราต้องไปหาต้องไปเอามาเสพต้องเอาของข้างนอกนั้นมาเจอกับภสษะของเราจึงเป็นความสุขที่ต้องหาความสุขขั้นที่สองคือสุขด้วยการสนองชันทะ เรียกว่าความสุขที่สร้างเองได้เพราะว่าความอยากเรียนอยากรู้อยากศึกษาอยากทำโน่นทำนี่ให้ดีความชื่นชมธรรมชาติอะไรเหล่านี้เราสนองได้ด้วยความตั้งจิตตั้งใจของเราเองด้วยการกระทาของเราเองไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องรอไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพที่ไหนจึงสร้างขึ้นเองได้ความสุขขั้นที่สาม คือสุขที่ไม่ขึ้นต่อการสนองความต้องการไม่ว่าจะสนองฉันทะหรือสนองตันหาเรียกว่าความสุขที่มีอยู่กับตัวทุกเวลาข้อนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเมื่อเรามีความสุขเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเรามีความสุขอยู่เสมอเป็นประจำอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาไปทำอะไรอีกเพื่อจะให้มีความสุขเป็นอันว่า สุขสามคือสุขต้องหาสุขสร้างขึ้นมาเองได้และสุขมีในตัวทุกเวลาตอนนี้รู้จักคร่าวๆไว้ก่อนแต่ก็ควรคิดหมายว่าทำอย่างไรเราจะมีให้ครบทั้งสามอย่างถ้ามีได้ครบก็น่าจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทีเดียวไรหนอคือบุคคลที่มีสุขครบทั้งสามอย่างนี้อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าผู้ที่มีสุขขั้นสามสมบูรณ์จริงแล้วทั้งที่ท่าต้องการจะสวยสุขให้ครบพร้อมหมดทั้งสามได้อย่างสบายๆแต่กลายเป็นว่าเขาพอใจอยู่กับสุขในขั้นที่เป็นอิสระไม่แยแสสุขอย่างแรกที่พึ่งพาขึ้นต่อสิ่งเสพอีกต่อไปเรื่องเป็นอย่างไรเพราะอะไรก็ค่อยๆดูต่อไป